ท่านดับบี้โมมัสสุลลัลเวรสลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เขาทัานกูราจึงประทานลงมาตำหนิท่านแล้วบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของลอได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเลชานุภาพในจักรวาลนี้โดยที่ลอทรงอํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์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 ขามว่ามัดทำหน้าบึ้งและผลิหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาอะ่รเล่าที่ใช่เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อสักฟอกจิตใจก็ได้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 และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเขามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมนเฉยเสีย น, น, น, น, นีใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ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 มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไรจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเข า, า, า, เออเเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาและพระองค์ก็ทรง แพร่ฐานให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุ ม, มแล้วเมื่อพระองค์ทรงประสรงค์ก็สรยให้เขาฟื้นขืนชีพลลไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงท้หยเขา มนุษย์จงพิจาราดูอาหารของเขาสิเราได้หลังน้ำฝนลงมามากมายอย่างไรแล้วเราได้แยกคันดินออกแล้วเราได้มเมล็ดพืชงอกออกจากคันดินและเอามัน ل ب ق و ز ي ت و ن ا ونخله لمقا لا ينتفلم وحدائق غ ل ب وفاكهته و أ ب ا لا ر و ن م ا م ا لا ت ُ ا متاع لكم ولأنعامكم นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าขั้นเมื่อเสียงกรมนาดมาถึงวันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขาวว่อมมีีและจากแม่ของเขา และพ่อของเขาและจากภริยาของเขาและลูกๆของเขาสำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วอำหรับแต่ะนหมูเขาวันนั้นมีภารตัวแกเขาอยู หลายใบหน้าใน ว, วันนั้นแกมใสเพราอ ด, ดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าใน ว, วันนั้นมีฝนจักความมนหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้ น, น ช, น, ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกปฏิช่วง